ยมเชื่อไหมว่าหลายคนพอพูดถึงเรื่องคำว่าความตายเนี่ยรู้สึกจะว่าไม่เป็นมงคลจริงๆแล้วองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย จะกล่าวถึงเรื่องความตายเนี่ยเป็นประจำเลยถ้ายมจาไม่ถ้ายมจามจได้ที่พระพุทธเจ้าได้รับสั่งถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอได้กำหนดความตายอยู่หรือไม่ พระอนนท์ก็กราบบังคมทูลต่อพระผู้มีาพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้านั้นได้ระลึกถึงความตายอยู่พระเจ้าค่ะอนนท์เธอระลึกอย่างไรข้าพพุทธเจ้าระลึกอยู่ ความตายถึงวันละเจ็ดครั้งพระเจ้าค่ะองครเจ้าก็ากตรัสว่าอานุนแม้เราตรถาคตตรัสรู้ทมแล้วเราระลึกถึงความตายอยู่ทุกขณะทุกขณะลมหายใจที่เข้าออก อนนท์เธอยังชื่อว่าผู้ประมาทโยมลองฟังดูขนาดคนะระลึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งเนี่ยนะยังประมาทอยู่ก็แสดงว่าความตายนั้นอยู่ใกล้พวกเรามากเลยพระพุทธเจ้าจึงให้เราะระลึกถึงทุกขณะลมหายใจเข้าออก มรณสติพิกเวพาวิตาพระอุรีกาตามหาพลาโหติมหานิสังสาอมโตตกาตาอมตปริโยสานาติซึ่งแปลใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณสติอันบุคคลเจริญ กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นธรรมมีผลมีอนิสงส์อันใหญ่หลวงยังถึงอมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่สุดยมฟังและแปลกใจหบุคคลที่ได้ระลึกถึงมรณะ แต่ทำไมจิงบวันยังถึงอมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่สุดยมฟังแล้วก็น้อมพิจารณาแล้วเราจะได้ทราบว่า ทำไมคนที่เขาเจริญมรณสติแทนว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดถึงความตายระลึกถึงความตายแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าใครก็ตามที่ระลึกถึง มรณะแล้วนะมรณะสติทำให้ยังลงสู่อมะตะธรรมได้ทำไมพวกเราไม่คิดถึงอายุยืนยื้ยาวๆแล้วพวุทธเจ้าบอกอยังถึงอมะตะธรรมแต่นี้กลับแสดงว่า บุคคลที่จเจริญมรณสติอย่างลงสู่อมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่สุดแสดงว่าไม่ธรรมดาฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณากันสักนิดนึง ว่าทำไมคนที่เขาเจริญมรณสติแต่เป็นผู้ที่จะยังลงสู่คุณธรรมอันเป็นอมตะยมรู้ไหมอตาต ม, มาก็เคยจริงๆจะบอกกำหนดก็ยังไม่ใช่ เริ่มแรกจริงๆเลยนะเริ่มจริงๆเลยในช่วงที่ยังบวชใหม่ๆประมาณพรรษาที่สามประมาณนี้นะประมาณพรรษาสาสองสามนี่แหละอยู่ๆจิตมันก็ระลึก ว่าตัวเองจะตายไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าหรือแม่ชีญาติโยมเคยมีสภาวะอย่างนี้ไหมยูยูยขึ้นมาก็ะระลึกถึงคาว่าตายแล้วจิตก็ตกอยู่ในความตายจริงๆก็รึกอยู่ง นอนไปก็เห็นว่าตัวเองจะตายก็บอกตัวเองว่าเราคงจะตายจริงๆลงไปส่งน้ำในห้องน้ำจิตมันก็ยังระลึกขนาดตักขันน้ำรดกายยายอยู่มันก็บอกว่าจะตาย แปลกไว้ยุงคว้าบาทออกบินธบาดเดินไปก็ว่าตัวเองจะตายะระลึกถึงเห็นแต่ความตายตัวเองจะตายอายุเราสั้นอายุเราสั้ น, เ ร, นเราจะตายนั่งเคี้ยวคำเข้าวก็เคี้ยวกับความตายมันแปลกดี แตมาไม่รู้ว่านี่คือมอรณสติที่เราเคยอบรมมาแล้วเป็นบุญวาสนาที่เราได้สั่งสมไว้ไม่เข้าใจหรอกก็ไม่ได้มีครูอาจารย์ไหนสอนก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นเองนั่งดูอะไรเราจะตายจริงหรอเนี่ย วันวันหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรแล้วโยมคิดแต่จะตายอย่างเดียวเอาไหนๆก็จะตายก็ไปป่าช้าดีกว่า น, านั่นก็ไปภาวนาอยู่ในป่าช้าเลยนั่งอยู่กับคนตายความตายนี่แหละไหนๆนก็จะตายวุ่นวายทำไม ไหนๆก็จะตายโลภโมโทสันไปทำไมดูดิโยมวัฒนานที่เราสั่งสมอบรมจิตมามันก็ดีอย่างหนึ่งนะพอรู้ว่าจะตายเนี่ยมันบอกว่าวุ่นวายทำไมเออถูกไหนๆก็จะตาย ทำไมไม่ตายอย่างผู้สงบตายอย่างปลาที่ดิ้นอยู่บนน้ำเออดิ้นอยู่บนบนพื้นดินบนบกนเพื่อรอมดมากัดกินเนี่ยมันไม่ไหวสลัดไม่ออกความคิดว่าจะต้องตาย สลัดไม่ออกความคิดว่าจะต้องตายนะ <c oughs> มันก็แปลกดีจริงๆนะแปลกสลัดไม่ออกนั่งอยู่ก็มีแต่มรณะสติเกิดกรรมฐานข้ออื่นไม่ต้องทำหรอกโยม ไม่ต้องทำเลยสติมันตื่นนั่งอยู่ในป่าชาเป็นเหตุที่จะมาหยุดป่าชาอยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งปีนะ่ครึ่งปีอยู่กับความตายทำความรู้จักกับความตายอยู่กับความเงียบอยู่กับความมืดอยู่กับความสงบ อยู่กับความน่ากลัวอยู่กับสิ่งที่ที่ใครก็ไม่ต้องการแต่เราอยู่กับสิ่งนั้นเพราะเราจะตายแล้วยมเชื่อไหม <c oughs> ถ้ายมรู้ว่ายมจะตายวันนี้พรุ่งนี้กินอะไรเนี่ยมันคงจะไร้รสชาติ โยมจะทานอะไรก็คงจะไม่ไม่อร่อยแน่เลยคงจะไม่นั่งเบิกบานอยู่นะหรือว่านั่งคิดอยากรวยทอนเทียนะความตายมันเป็นสิ่งที่ปล้นทุกอย่างจากชีวิตที่มีนะ ยมจำคำนี้นะคนถึงเขากลัวกันเพราะความตายมันพัดพรากทุกอย่างมันจะพรากทุกอย่างไปไม่ว่าลูกสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สมบัติคนรักทั้งหมด ความตายมันเป็นตัวพัดพรากทุกคนกลัวกลัวฉะนั้นคนจิงประยามมีทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อรักษาเดี๋ยวไม่มีเงินจะตายเร็วพอเป็นโรคขึ้นมาไม่มีเงินรักษาก็กลัวกัน เพราะความตายมันมันปล้นทุกอย่างที่เรามียมจาคำนี้ตรรมะว่าโจรว่าเขาปล้นยกคราที่เขาเรียกกันนะแต่มันไม่เท่ากับความตายที่ปล้นเรานะมันหมดทุกอย่างเลย ที่เป็นวัตถุภายนอกที่เราสร้างที่เราทำที่เรามีมาทั้งชีวิตนะหมดเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีค่าสักเพียงไหนจะซ่อนไว้ที่ใดความตายมันพากไปหมดเลย ใครไม่กลัวก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วยมกลัวไหมคนที่รักจะ ต, ต้องตายยังตกใจอยู่ใช่ไหมนั่นเป็นเพราะเรายังเป็นปุทุชนอยู่เต็มเมื่อไร เราเข้ากระแสะความเป็นพระอริยะหรืออริยบุคคลเราจะรู้สึกสัมผัสความตายอยู่ทุกวันยอมเชื่อไหมละ่ะไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะรับสั่งต่อพระอนนท์ว่าอนนท์เธอกำหนดความตายไหม ท่นแดงว่าพระพุทธเจ้าเองก็สัมผัสอยู่กับมัจจุราชมุตติอยู่มอณัะภัยตอมาก็นั่งดูเจ้าจะพรากชีวิตของเราไปทุกอย่างหรือที่พ่อแม่ให้เรามา ในเมื่อเราหนีท่านไม่ได้เราก็จะไม่หนีในเมื่อเราสู้ท่านไม่ได้เราก็ไม่สู้ยมฟังให้เป็นนะในเมื่อเราหนีความตายไม่ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องหนีในเมื่อเราสู้กับความตายที่จะไม่ตายไม่ได้เราก็ไม่สู้ แต่มีอย่างหนึ่งความตายจงจำค่าไว้ข้าก็จะไม่วุ่นวายกับเจ้าและมันไม่มั่นหมายกับเจ้าเช่นเดียวกันเรามาทำความเข้าใจกันคนละครึ่งทางจะเป็นจะตาย เรามาเจอกันคนละครึ่งทางแต่ตอนนี้เรายัางไม่ตายเราก็จะใช้ทุกอย่างที่มีในชีวิตที่พ่อแม่ให้มาและที่เราแสวงหามาเราจะใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อความเป็น และก่อนไปสู่ความตายเราไม่กลัวท่านหรอกฉะนั้นพวกเราพวกเรามาทำความเข้าใจกับความตายแล้วยมเชื่อไหมพอจิตมันเข้าสู่ความตายที่บอกยังลงสู่อมะตะธรรมดามาบอกคำนี้ไม่แปลกเลย ไม่แปลกจริงๆพราะจิตของเรายัางลงสู่ความตายได้ดูเหมือนโลบโกรธลงมันก็ดับลงนะคนจะตายเมื่อรู้ว่าจะตาย โลภไปก็เท่านั้นได้มาก็เท่านั้นเพราะทุกอย่างต้องโดนพรากอยู่แล้วโยมโดนพรากพลัดพรากหมดทุกอย่างในเมื่อจะต้องตายวุ่นวายทำไมติดอย่างนี้ตมาบอก ไม่เป็นเรื่องแปลกเลยที่จะยังลงสู่อมตะธรรมอาฆาตโกรธพยาบาททำไมเราจะตายอยู่แล้วมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีประโยชน์อะไรเลยจิตที่เรามาผูกอยู่อย่างนั้นเราจะตายแล้ว จงปลดปล่อยความชั่วร้ายทั้งหมดไม่ใช่คำง่ายๆนะแต่มันเป็นคำที่เรียกว่าธรรมดาของจิตที่ได้ะระลึกถึงความตายเห็นอย่างนี้แล้วก็เราจะปลดปล่อยยมปลดปล่อยเป็นไหม วันนี้จะมาถามพระบอกเป็นอย่างไรพระบอกหนักกว่าเดิมครับ <c oughs> แสดงว่าจิตของท่านยังไม่ปลดปล่อยเพียรเพ่งปฏิบัติแต่ไม่ใช่ว่ายึดถือว่าเราจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่ได้นั่นได้นี่ไม่ใช่ได้หรือไม่ได้ มันอยู่ที่ว่าจิตของเราวางได้แค่ไหนทำมันก็เกิดเท่านั้นยึดแค่ไหนมันก็เป็นตัวเราใหญ่เท่านั้นแล้วภาวนาไปจะรู้เองแต่มาก็นั่งดูเออความมืดในใต้ฟ้านี้ ไม่ได้ทำให้เรากลัวเลยความเงียบในป่าช้าไม่ได้ทำให้เราต้องสะดุ้งกลัวเลยความเยือกเย็นในค่าคืนดึกสงัดไม่ได้ทำให้เราต้องสยองกล้าวเลยเราเข้าถึงความตาย ความกลัวก็ไม่มีเชื่อไหมล่ะนักรบที่เก่งที่สุดคือเห็นความตายแต่ไม่กลัวตายไม่อย่างนั้นเป็นนักรบที่เก่งไม่ได้มันมีแต่ความกังวล มันมีแต่เหตุผลที่จะไม่ตายท่านเป็นนักรบแท้จริงไม่ได้ท่านต้องเห็นความตายในการรบแต่ท่านไม่ได้กลัวแต่ท่านรู้ความตายหมายถึงอะไร พอตายเกมหยุดหมดเลยนะเกมชีวิตของคนนี้หยุดไม่มีใครล่าท่านอีกแล้วจบและท่านก็ไม่มีสิทธิ์ไปล่าใครจบแต่สิ่งที่ต่อมาก็คือพบน้อยใหญ่ที่ท่านยังต้องไปต่อนั่นไว้อีกตอนหนึง่ง พอนั่งดูกำหนดดูความตายแล้วพอเราเข้าถึงความตายแล้วยงยมเชื่อไหมนะจิตมันเย็นจิตมันไม่ร้อนนะคนที่กลัวตายจิตร้อนสับสายกระวนกระวายงุดงิด คิดมากฟุ้งซ่านแต่พอจิตเข้าถึงความตายนะต้องทำให้ถึงจริงๆนะถ้าทำไม่จริงเนี่ยมันเหมือนวางตัวเองไม่ได้ยอมรู้ไหมพวกเราติดตัวตนตรงไหนตรงที่ไม่ยอมตาย ไปดูพระลรหันทุกองอ่ะท่านยอมตายหมดแล้วจิตเข้าถึงความตายยังลงสู่อมะตะธรรมนี่คืออา น, นิสงส์งของการเจริญมรณสติไม่ธรรมดาบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดา พอท่านเข้าถึงความตายทุกอย่างดูเหมือนมันจะจบแล้วนะความโลภคำว่าความโลภมันเกิดจากคนคิดว่าจะไม่ตายจะอยู่สักร้อยปี ห้าสิบปีสามสิบปีเราต้องหาเยอะเยอะแต่พอรู้ว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้คิดไหมว่าอยากรวยนะเงินตมจะให้ใครอยากได้เงินสักร้อยล้านยกมือขึ้นให้ตายเดี๋ยวนี้เลย เชื่อไหมจะมาว่ายัางมีคนยกบอกให้ลูก <c oughs> เป็นคำตอบที่ฉลาดแต่งโง่มากจิ้งสงสารลูกอยากให้คนที่รักมีความสุขเราตายไม่เป็นไรเหมือนคนประกันชีวิตเอาไว้ พูดทุกอย่างดีเลยโอ้โหประกันจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องห่วงะมาถามคำเดียวแล้วเวลาตายนะใครรับไปพอพูดจบตมาถามทั้งหมดที่ที่เราประกันชีวิตพอตายเสร็จใครรับไม่ใช่คนประกันยังงั้นไม่เอาก็ทำเพื่อลูกหลาน กลัวคนข้างหลังจะลำบากแต่มาเข้าใจาเราเป็นผู้โดยชนมนุษย์โดยกันเข้าใจคำนี้ดีเข้าใจและเข้าใจดีด้วยแต่สิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบสุดท้ายไม่ใช่อย่างนั้น คำตอบสุดท้ายท่านดับทุกข์ได้เลยอยลูกหลานสามีของเราคนที่รักนยังมีนรกอยู่ไหมในความตายตรงนี้ถ้าจะกลัวําว่าตายต้องกลัวมา่ตายแล้วตกนรกไหมแต่ความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัว ไม่ใช่คือสิ่งชั่วร้ายธรรมาไม่ได้มองความตายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายหรือความตายเป็นอัปมงคลไม่ใช่เราศึกษาธรรมะเราก็ต้องยอมรับความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป มันเป็นธรรมดาจริงๆก็เลยไม่ไม่ตกใจไม่ตกใจพอเรานั่งเข้าถึงความตายจริงๆ จ, จิตขณะนั้นยมรู้หรือเปล่ามันเย็นมันแยกรูปนามได้จริงๆมันอัศจรรย์นะ ตอนเป็นทั้งชีวิตแยกรูปนามไม่ได้พอกำหนดลงสู่ความตายในจิตนั้นได้จริงๆแยกรูปนามชัดเจนเรื่องจริงทำให้ได้และจะรู้แต่มันต้องเข้าถึงจริงๆนะ หลายคนที่นั่งภาวนาบางคนเหมือนลมจะดับโตกใจกลัวจะตายบ้านยังผ่อนไม่หมดเนาะเดี๋ยวเขาจะมายึดลูกยังไม่โตหรือสามีเมายังไม่กลับบ้านยังห่วงเขาอยู่หรือว่าแชร์ยังไม่ได้เปียอย่างเงี้ย มันมีเรื่องเยอะของแต่ละคนมันก็มีไปแต่ละแบบกลัวว่าจะตายรีบถอนเลยโถจริงๆแล้วยมไม่เข้าใจว่าในขณะนั้นและจิตมันกำลังดำดิ่งลึกลงสู่ในอปปนาสมาธิ หรือในการเจริญอาณาปานสติที่ก่อให้เกิดพอเราไปกลัวและถอนออกแล้วเชื่อไม้ทำใหม่ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมตามาเสียดายโอกาสนั่นนหะถ้าใครทำได้อย่ากลัวตายให้ตายไปเลย ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนเผามีไม่นั่นก็เนา่าเชื่อเธอโยมเขารีบเผามันเนา่าเป็นเชื้อโรคอย่าไปกลวนนะถ้าเราจเจริญกรรมาฐานอยู่ลมหายใจของเราดูมันเบาลงเบาเบาจนมันกับใจเงียบเงียบเงียบเงียบมันจะหายไปเนี่ย ไม่ต้องเส็จดุง้งไม่ต้องตกใจเขาเรียกกำลังของสมาธิมีมากแล้วลงสูรในอำนาจของฌานพออยู่สักระยะนหนึ่งเดี๋ยวมันถอนออกมาสมาธิก็ไม่ที่เที่ยงโยมอย่าไปทุกข์กว่ามันเที่ยงอย่างนั้นนะไม่เที่ยงไม่ว่าพระจะเข้านิโรธสมาบัติ หรือเวทียโรสมาบัตในขั้นอาราหาันที่ทำไดนะ้ไม่ใช่ว่าเที่ยงนะไม่เที่ยง7จวันเก้าวันสิบห้าวันชานั้นก็คลายออกไม่ต้องกลัวหรอก ชีวิตของเราเที่กลัวก็คือตายแล้ว เ, เราตกนรกหรือเปล่าตรงนี้น่ากลัวกว่าพอเราทำได้จนถึงความตายจริงๆนะยมเชื่อไหมฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่สะดุง้งไม่ตกใจนะไม่ตกใจ ถ้าจิตมันถึงความตายแล้วไม่กลัวแล้วตรงนั้นแต่ผัสสะมีอยู่นะผัสสะการกระทบอะไรมันก็เหมือนถูกของร้อนก็ยังร้อนถูกของเย็นก็ยังเย็นอยู่มีแรงสะเทือนก็ยังสะเทือนอยู่แต่ว่าจิตตรงนั้นเนี่ยไม่สะดุง้งที่บอกอยังลงสู่อมะตะธรรมตรงเนี้ย อาตมาว่าหลายคนที่ภาวนาแล้วจิตมันยังปลงไม่ลงยังวางไม่ได้กำหนดความตายให้เยอะเข้าไว้แต่มีหน้าที่การงานยมต้องทำเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าจิตเราน้อมรณสติะระดึกถึงความตายเขา พอจิตของเราน้อมถึงความตายแล้วทุกอย่างเนะี่ยมันตัดได้เลยตัดกระแสได้ทุกเรื่องเลยนะก็ถึงบอกตอมาบอกเราจะตายแล้วเขาเอาเพชรนินจินดานมาง ก, กงเอาไว้ถามว่าเอามาทำไมมันไม่มีประโยชน์กับคนที่จะตายดอก เอาไปประดับกับคนที่ยังเป็นอยู่เธอจิตของเรามันตายแล้วจุดนี้ไม่หลงเลยเอาเงินทองมากองอีกบอกเราหมดโอกาสที่จะใช้แล้วประโยชน์ตรงนี้ไม่สำเร็จกับเราแล้วจิตของเรา เข้าถึงความตายไปแล้วมันตัดเลยกระแสความโลภตรงนี้หมดแม้ความเกลียดชังความพยาบาทความอาฆาตอยู่เนี่ยที่เคยมีพอจิตเข้าสู่ความตายจริงๆเราจะโกรธอีกทำไมเกลียดอีกทำไม ในเมื่อเราจะตายแล้วสิ่งนี้ไม่มีแก่นสารประโยชน์ในจิตนี้อีกเลยเป็นกรรมอาโหสิแล้วก็แผ่มเมตตาสัพเพสตส ต, ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายแผ่ให้เขาเราอาโหสิ คิดเราไม่โกรธท่านไม่เกลียดท่านไม่แค้นเครียงท่านไม่พยาบาทกรรมอันใดที่มีต่อกันเลิกแล้วต่อกันจงเป็นสุขเป็นสุขยมสังเกตไหมเวลาเราพอรู้ว่าคนนี้ตายถ้าเราเคยโกรธกันมาหรือเจ็บใจกันมาเราจะรู้สึกเหมือนจะอโหสิยกโทษ ไม่ให้มีเวรต่อกันฉะนั้นทำไมเราไม่ทำตอนเป็นเป็นเราทำตอนเป็นเป็นเลยถ้าโยมอยากพิสูจน์ว่าจิตของเรานี้ละได้จริงไหมความโกรธความแค้นความเจ็บใจเสียใจที่เคยโดนกระทำกับบุคคลนั่นมาโยมน้อมใบหน้าเขาเข้ามา และโยมันกาหนดจิตนั่งดูสักพักใหญ่ๆก่อนจิตมันตายไหมถ้าจิตมันไม่ฟูไม่แฟบนั่นแหละจิตเข้าถึงความตายและโยมก็แผบไปจงให้เขารับรู้ในกระแสธรรมกระแสจิตของเราเวรภัยไม่มี จิตเราไม่มีเวรเป็นกรรมอโหสทิที่เคยมีต่อกันทุกภพทุกชาติให้เลิกแล้วต่อกันมันตัดกระแสดได้เลยที่บอกพยาปาทะนี่ก็คือนิวรข้อหนึ่งถูกตัดออกจบลงเลยมีหน้าจึงบอก ยังลงสู่อมตะธรรมที่แรกจะมองมันเป็นไปได้อย่างไรแค่นึกถึงความตายก็ใจสั่นแล้วแต่พอเราปฏิบัติจริงๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโยมเชื่อไหม นี่เป็นเรื่องเล่าเท่านั้นให้ฟังไม่ใช่เรื่องจริงอิงเป็นนิยายขนาดนั่งอยู่ในป่าชาแท้ๆกลิ่นสาบเหม็นมาอยู่ข้างๆอยู่เบื้องหน้าจิตยังไม่สะดุ้งเลยรู้ทั้งรู้ว่ามีอามนุษย์อยู่รอบ มันสัมผัสได้จิตมันรู้ได้ในภูมิพบตรงนั้นไม่ตกใจไม่พวาไม่กลัวมีแต่แผ่เมตตาบุญอันใดที่เราบําเพ็ญมาแล้วขอให้ท่านจงเป็นผู้รับในกุศลผลบุญที่เราได้บําเพ็ญ เราอุทิศให้ท่านท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากสภาพทุกข์ทั้งปวงถ้าท่านถึงสุขขอให้มีวิมานความสุขเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจงเป็นสุขเป็นสุขเถอเราอุทิศแผ่ให้สิ่งนั้นก็อันตรธ า, านไปถ้าจิตของเรา ถึงสภาวะธรรมจริงๆจะมีผู้มาขอส่วนบุญอานจะมารับรองได้ว่าเป็นเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับทุกๆดวงของจิตนั้นจะไม่มีมาก่อกวนจะไม่มีมาทำให้เราต้องไม่มีจะมาแบบอาการที่วุ่นวายหรือจะมาหลอกหลอน ยมรู้ไหมเพราะอะไรอำนาจแห่งคุณศีลคุณธรรมตรงนั้นน่มันแผ่ไม่ธรรมด า, ามนุษย์เขาเห็นเขารู้เลยว่านี่คือนามบุญสำหรับเขาเขามาขอส่วนบุญถ้าโดยเฉพาะเป็นญาติด้วยแล้วเขามาแน่นอน ถ้าภูมิที่เขาพึงรับได้เขาจะมาจึงบอกยังลงสูอ่อมตะธรรมบอกจิตมันแผ่ออกไปจึงบอกว่ามีความเย็นและมีกุศลเกิดจิตสว่างสงบจิตปล่อยวางแยกรูปนามเห็นชัดเจนกายจิต ชีวิตกับธรรมะสุขกับทุกข์เห็นสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนโลกย่อลงมาอยู่กับที่จิตที่เรานั่งกาหนดเห็นสภาวะธรรมที่เกิดที่มีที่ตั้งที่เป็นที่ดับที่เกิดที่มีที่เป็นที่ตั้งที่ดับไม่มีอะไรจะพากใจเราได้อีกแล้วเพราะเราเหลือเพียงความตายเท่านั้น จะมาบอกไม่มีอะไรพลาคความตายได้อีกเลยพวกเรายังเป็นจะถูกพลาคออกทุกอย่างแต่พอจิตยังลงสู่อ ม, มะตะธรรมถึงลงสู่มรณสติไม่มีสิ่งใดพลาคจิตนี้อีกเลยจิตมันรู้ตรงนี้ ยมรู้ไหมคำคำนี้คำเดียวมันแผ่ไปไกลแค่ไหนยมะไม่มีอะไรที่จะพากจิตที่ยังลงสู่อมตะแห่งความตายที่จเจริญด้วยมรณะสติไม่ธรรมดายมรู้ว่ากระแสจิตมันเป็นคลื่นไม่ธรรมดาไปไม่ไม่รู้กี่โยน์หรือไม่รู้กี่พบ ไม่เช่นนั้นเอาเพียงแค่มหากสปะเทระเวลาออกจาก <c oughs> นิโรธสมบัติพระอินเนี่ยยังทราบยังลงมาเพื่อขอส่วนบุญนั่นคณนะว่าเขาสำเร็จในระดับความเป็นใหญ่ของเรา เทพบุตรแล้วนะแต่ยังต้องการกุศลจากผู้บำเพ็ญศีลบำเพ็ญฌานบำเพ็ญท ร, รมันเป็นอ ม, มตะอยู่ไม่ธรรมดาฉะนั้นจิตที่เข้าถึงความตายไม่มีอะไรจะพลากได้อีกแล้วยมอย่า ก, กลัวนะต่อไป คนที่กลัวยังไม่ถึงอมตะธรรมแห่งจิตที่เข้าถึงความตายและแยกรูปนามก็ไม่ออกด้วยพูดไปเถอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณไม่ใช่ตัวตนท้องไปเถอะมันไม่เข้าไปั้างหนมันขึ้นไปที่สมองแต่จิตไม่ได้ภาวนาก็คือไม่ได้เจริญเกิดในกระแสแห่งธรรมจริง เมื่อกี้เราฟังแรกๆน่ากลัวเนอะา พ, พูดถึงความตายพอฟังไปฟังมาชักอยากตายแล้วเนี่ยแต่มารู้ว่าโยมอยากตายหลายคนเมื่อจิตของเราลงสู่อมตะธรรมแห่งมรณสติแล้วนะไม่มีอะไรที่จะพลากกิจนี่เลยเขาไม่มีกำว่าโศกเศร้าเสียใจ โสกะปริเดวุุกโดมานอุปายาจิตไม่มีเลยความร่ำไรรำพันอีกก็ไม่มีไม่มีไม่ว่าใครไม่ว่าสิ่งใดพรากจิตนี้ไม่ได้อีกเลย ไม่มีใครภาคความตายไปได้โอ้หมดความสงสัยวิจิิจชาความลังเลความโลเลจิตสับส่ายใจสับสนกระวนกระวายวุ่นวายทั้งหมดมันสงบดับลงและไม่ไม่อยู่อย่างตกใจที่ยมเชื่อไหมละ่ะ ลืมตานิตานิ่งเลยใช้มองคนนี้ก็ตายคนที่ก็ตายคนนี้ก็ตา ย, นนตายลูกเราก็ตายสามีก็ตายเพื่อนเราก็ตายเราก็ตายเรามีความตายห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ประมาทในความตายเราได้เจริญมรณสติ อันเข้าสู่ความตายจิตจริงไม่มั่นหมายในชีวิตที่เป็นอยู่ว่าเที่ยงสิ่งของที่มีอยู่ว่าของเราเที่ยงเริ่มกำหนดแยกแล้วทีนี้ระหว่างทรัพย์มีไม่เที่ยงชีวิตมีไม่เที่ยงทุกอย่างสรรพสิ่งเป็นเช่นนี้เอง พอเข้าถึงตรงนี้แล้วเราไม่กลัวในภพภูมิใดอีกเลยยมเชื่อไหมเหมือนได้พรจากพระพุทธเจ้าบุคคลนี้พ้นจากความกลัวทุกอย่างมันอัศจรรย์นนะจึงบอกการปฏิบัติธรรมมีปฏิหารไม่ใช่หอก หรือหายตัวปริหาริธรรมบอกถึงปัญญายาณหรือเจโตปริญญายานหรือเจโตวิมุตตหรือเข้าถึงปัญญาวิมุตตยังลงสู่อมตะธรรมตรงนั้นมันมีปัญญาวิมุตตกับเจโตวิมุตต แล้วความกลัวไม่มีอีกเลยไม่ว่าใครจะเจ็บใครจะตายไม่ว่าใครจะพัดพรากสิ่งใดท่านมองแล้วมันเฉยไปหมดแล้วเพราะจิตของท่านยังลงสู่อมตะธรรมเจริญมรณาสติ ไม่มีอะไรที่ต้องพรากท่านได้อีกเลยไม่มีใครโกงท่านได้อีกเลยธรรมะตรงนี้ใครเอาไปไม่ได้สิ่งภายนอกโจรปล้นได้โจรปล้นได้ในสมัยก่อนพระราชา สั่งยึดทรัพย์ได้แต่จิตที่เข้าถึงความตายใครเอาไปไม่ได้แต่มาจึงบอกไม่มีใครที่พรากจิตนี้ได้อีกเลยแม้ความตายก็พรากไม่ได้ดูพระพุทธเจ้าตอนปรินิพานสง่างามมาก ไม่มีไม่มีอะไรเลยที่ต้องเรียกว่าปริพเทแห่งความกังวลไม่ว่าบุคคลสถานที่วัตถุสิ่งของไม่มีเลยความกังวลของพระองค์ไม่มีเลย ความลังเลโลเลสงสัยไม่มีเลยมีแต่พระองค์ทราบว่ากิจของเราได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นยิ่งกว่าไม่มีกิจอันแรกคือเราได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่คือกิจข้อแรก ข้อที่สองเราได้นำธรรมแห่งการตรัสรู้โปรดเวนิยสัตว์ให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เกิดอันครบในพระตนตรัยโดยมีองค์พระพุทธพระธรรมและพระอรหันตเจ้าอริยสงฺ คิดอื่นยิ่งกว่าไม่มีแล้วฉะนั้นการจากครั้งนี้เป็นไปโดยธรรมเท่านั้นเองพระองค์ไม่มีความรู้สึกว่าพระองค์ต้องสูญเสียอะไรเลยมีแต่บอกว่าผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราพระตถาคตเจ้าแล้วก็ตรัสสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานหันทธานิพิขเวอามันตยามิโวดูก่อนพิสุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า วะยะธรรมมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอมาเดนะสัมปาเทธท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอยังตาธาคตัสปัชชิมาวาจานี่เป็นพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเมื่อตรัสเสร็จพระองค์ ไม่ตรัสอีกเลยดับขันปรินิพานเห็นไม่ยมพระองค์ยังเตือนสติเระวะวาว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมไปแล้วเป็นธรรมดา อปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอะไรที่เรียกว่าประมาทอะไรที่ไม่ประมาทฉะนั้นถ้าเราได้เจริญมรณสติอย่างนี้วันหนึ่งชีวิตที่มันไม่เที่ยงคดเคี้ยวเลี้ยวไปมา จิตของเราที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ยังผูกอยู่และถูกพรากไปทำอย่างไรโยมจะร้องใครก็ช่วยไม่ได้โยมบอกยมเจ็บใครไม่รู้หรอกว่าเราเจ็บขนาดไหนทำไมต้องเจ็บ เพราะมีสิ่งมาพรากเราแล้วยมไม่รู้หรือว่าสิ่งนั้นจะมาพรากเรายมรู้บ้างแต่ยมไม่คิดว่าจะเป็นเราลูกเราของเราสามีเราหรือชีตของเราหรือมันเร็วเกินที่จะยอมรับได้อาตมาถาม แล้ตมาเคถามตัวเองด้วยอายุยืนอายุสั้นใครกําหนดก็ไม่จบในคําถามหาคําตอบตมาก็นั่งดูและก็นิ่งเฉยนะอายุยืนอายุสั้นใครกําหนดก็ไม่จบในคําถามหาคําตอบผ่านไปอีกระยะหนึ่งมาบัดนี้ได้เข้าใจในเนื้อธรร ว่าเป็นกรรมในอดีต ท, ที่เราสร้างเอาไว้ว่าเป็นกรรมนำผลจากอดีตไม่รู้เป็นกรอนหรือเปล่านะั้นแ่พก็ฟังไม่ออกแต่พยายามให้มันเป็นมันไม่เป็ น, น, ปนก็ช่างมันเถอะ ขอเป็นสุนทรผู้ต่มาเป็นสุนทรเธอไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้มีโวหารบ้างก็ยังเป็นสุนทรอยู่บ้างก็มากำหนดจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุมาถ้ายิ่งถ้าเราเกิดทันพุทธเจ้านะยมอยากทราบอะไรเนี่ย ยมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าสิ่งนั้นเป็นสาระแล้วแก้ความสงสัยได้พระพุทธเจ้าจะพึงแสดงให้ฟังอดีตกรรมของเราเป็นอย่างไรพวกเราฟังแล้วหมดความสงสัยและจิตนั้นรู้ด้วยนะว่าใช่ทำไมจึงรู้ว่าใช่เพราะจิตนั้นสัมผัสได้ด้วยนะ ไม่ธรรมดานะใครได้อยู่ต่อหน้าพระผ้าของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าชี้ในเรื่องกรรมเรื่องทิฏฐิในอดีตของแต่ละคนที่มีมาคนที่ฟังเนี่ยรู้ได้ด้วยนะมันเหมือนเห็นตัวเองว่าเราเป็นเช่นนี้เธอไม่ใช่มีทิฏฐิแต่ชาตินี้เมื่ออดีตแต่ชาติพระเจ้าเล่าให้ฟังเลย เธอก็เป็นเช่นนี้แม้ชาตินี้เธอก็ยังเป็นเยี่ยงนี้อีกเธอจงเปลี่ยนความคิดนี้เสียไม่เช่นนั้นเธอจะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้พอเราเยิ่ยงปฏิบัติธรรมรู้เท่าไหร่จิตเหมือนกับ เขามาบอกตัวเองกับสติตามาบอกเป็นคำเดียวกันนะสติคือคอยระลึกก็เหมือนกับบอกเราตลอดเตือนเราตลอดพอเราเริ่มเริ่มเข้าใจความกลัวจะหมดไปนะอํานาจที่พวกเราหลงหลงกันอยู่ เรื่องเย่งชิงกันไม่ต้องพูดเลยขนาดเอามากองอยู่มองแบบคนจะตายมันมีประโยชน์หรือเขาเห็นประโยชน์สูงสุดคือบุญกุศลทำอย่างไรเราจะรักษาจิตของเราได้ก็ใส่ทานศีลภาวนา ทานละความตรณีศีลละความชั่วร้ายภาวนายัางจิตไม่ให้ลุ่มหลงติดอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายมันแก้ได้ทุกเรื่องเพียงแต่เราไม่ละเอียดเองถ้าโยมยิ่งภาวนาได้พบคำว่าทานศีลภาวนาโยมไปแก้เถอะได้ทุกเรื่องเลย แต่ของพวกเราเนี่ยพอเกิดเรื่องขึ้นมาทิ้งธรรมะกันพอเกิดอะไรขึ้นมาเราจะเอาความทุกข์เป็นใหญ่เราไม่เอาธรรมะมาดับทุกข์พอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราเอาตัวตนเป็นใหญ่เราไม่ได้เอาธรรมะเป็นใหญ่ ฉะนั้นสิ่งที่ผู้ภาวนาพอเขารู้จนสามารถสัมผัสจะมอมิติอีกมิติหนึ่งหรือรู้ในอีกภูมิหนึ่งก็ได้แต่ตัวรู้ตัวนี้ไม่ได้จำกัดว่าต้องรู้ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ บุคคลนั้นมีอภิญยาแค่ไหนบางคนก็ปราดเปรื่องเรื่องปัญญาบางองค์ก็เก่งในเรื่องลิศ ท, ทางจิตก็แล้วแต่ฉะนั้นคนยิ่งปฏิบัติไปมันใสขึ้นนะคนที่ยิ่งปฏิบัติและดำลงดำลงหน้าค้ํำลงคร่ำลงจะมาบอกไม่ใช่ ไหว้พระทุกวันก็ยังไม่ใช่จิตของท่านไม่เจริญในกุศลแต่ก็ท่องไปเหมือนเรียนท่องจำเอาเรื่องจริงนะจิตของผู้ที่ปฏิบัติภาวนาเจริญกุศลเนี่ยเขาไม่ เขไม่ร้อนใจมากมายหรือว่ามีใจที่คัดแคบมีความโกรธที่ผุนผันมากเกินไม่ใช่อารมณ์จิตเหล่านั้นนะเมื่อกุศลจิตเกิดสิ่งเหล่านั้นต้องเบาลงนะอาตมาบอกทุกอย่างมันอยู่ตรงกันข้ามมันมีอยู่สองอย่างถ้ากุศลเกิดอกุศลต้องดับ มันเป็นเหตุผลอยู่แล้วยมดูไม้โยกนะเคยนั่งเล่นไหมสองคนด้านโยกน้ำหนักถ่วงไปด้านไหนมากมันก็กระดกไปด้านนั้นมันก็คือตราช่าง น, น, นั่นเอนั่นคือเครื่องวัดจริงๆเป็นเครื่องวัดฉะนั้นจิตของโยมเนี่ยเราต้องวัดทุกวันนะรถยังตรวจสภาพนะนั่นมันเครื่องยังถ่ายเทนะ มอ้น้ำยังต้องรู้จักเติมนะรถจอดทิ้งก็เสียนะต้องรู้จักอุ่นเครื่องนะอย่าทอดทิ้งสิ่งนั้นมันจะเสียต้องหมั่นดูแลดูแลแล้วก็วัดจิตในช่วงหนึ่งธรรมะจะวัดทุกวันเลยวันนี้เราจเจริญกุศลมากหรืออกุศลมาก กำหนดจิตก่อนอย่าพึ่งเข้าข้างตัวเองถอยออกมาหนึ่งเก้าคนปฏิบัติเป็นถอยออกมาเก้าหนึ่งเอาตัวตนวางไว้ข้างหลังเอาสติสัมปชัญญะเอาธรรมมากำหนดพิจารณาแล้วก็ดูจิตเราขุนหรือใสใจใสเป็นบุญใจขุนเป็นบาปชัดเจน ดังนั้นดูว่าจิตใสหรือจิตขุนดูด้วยจิตใสหรือจิตขุนดูด้วยวุ่นวายหรือสงบกาหนดด้วยกาหนดไปแต่ละเรื่องจิตยึดมั่นหรือจิตปล่อยวางขนาดนี้ยึดเรื่องอะไรไปดูเหตุแห่งความยึด ต, ตามไปดู ปฏิบัติอย่างนี้โอ้งานเยอะมากงานของจิตเนี่ยโอ้ใครบอกว่าจิตว่างแต่มาบอกกว่าจะว่างเนี่ยนะมันต้องชำระจิตจนเหมือนกับว่าเราจะไม่ไหวแล้วนะหรือดูมาว่ากำลังของเราไม่พอที่จะละกิเลสด้วยซ้ำไป กรดูไปทำไปกาหนดแต่ละอย่างแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องดูไปวันนี้เราผูกโกรธเหรอวันนี้ไปกระทบอะไรมาขุนมาเชียวในนั่งยิ้มเสียยิ้มไม่ออกต้องนั่งให้ยิ้มขอกยิ้มไม่ออกไม่นอนอาจริง เราเป็นนักภาวนาเราไม่ใช่ตามอารมณ์ตัวตนแต่เราเอาธรรมะมาสแสดงความเป็นตัวตนของเราอยู่ที่ไหนและก็ละมานะตรงนั้นเสียอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติจริง ทำเนี่ยจะไม่อยู่กับที่นะจะรุดหน้าไปเรื่อยเรื่อยไม่ว่ายมจะเดินยืนนั่งนอนพอถึงที่สุดต่อมาบอกการภาวนาไม่มีรูปแบบแต่มีระเบียบอยู่ปัญญาไม่ใช่ได้จากรูปแบบใครบอกปัญญามาจากรูปแบบต่อมาบอกไปไปรอกเรียนแบบไปยิ้มเข้ามา พอเจอจริงๆแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้ไว้พริปฏิภานไม่มีเหมือนเรียนจบจากมหาวิทยาลัยนั่นคือความรู้แต่ปัญญาเราต้องเอามาผสมผ ส, สานกับความรู้จึงจะเกิดประสิทธิผลขึ้นมาหลายคนที่เรียนเก่งแต่ออกมาไม่ประสบความสำเร็จบางคนนี้สอบ วัดดวงทุกทีอยู่เวลาจะสอบขึ้นทีมันก็ปินหน้าผาขึ้นมารอดหรือไม่รอดตัวเองยังนึกบอกไม่รอดอีกใจบอกน่าจะรอดอนุบอกไม่รอดน่าจะรอดโดยเฉพาะอาตมาเนี่ยแหละเวลาพอสอบไล่เสร็จ ถึงเวลานัดให้มาฟังผลการสอบแต่มาถามครูประจําชั้นคำแรกเลยครูครับผมสอบได้ไหมครับเลขที่ไม่มีปัญหาครับห้าสิบก็ห้าสิบยอมต่มาไม่เคยคิดว่าต้องได้เลขหนึ่งเลขสองไม่เคยคิดเพราะรู้ว่ายังไงยังไงเราก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าสอบจากข้างหลังเนี่ยไม่แน่ นักเรียนมีห้าสิบสองพระอาจารย์สมชาติเกือบได้ห้าสิบสามนะโยมเก่งขนาดนี้โอ้โหเคยสอบได้ดีสุดเลขที่สิบเก้าโอ้โหสุกชิงหนอแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ธรรมดานะเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะเลขที่สิบเก้าไม่ธรรมดา ความรู้มันจะต้องบวกกับปัญญาถ้ามีความรู้อย่างเดียวเอาตำรามาใช้ชีวิตจริงๆทุกอย่างไม่ได้มันต้องประยุกเป็นพลิกแพลงเป็นแก้เหตุการณ์เป็นยมรู้ว่าวันนี้เราจะต้องกระทบกับสิ่งไหนมันไม่มีในตำรานี่ว่าคนนี้มาจากหัวคลง แล้วก็อยู่เดินมาชนเราอีกคนหนึ่งก็เหยียบซ้าเขาบอกว่าโยมไม่บอกบา็ทีทีเท่าไหร่ไม่บอกจริงบอกพอปฏิบัติธรรมะจริงๆแม้อยู่ริมถนนโยมก็ต้องปฏิบัติธรรมให้เป็นอย่าคิดว่าธรรมะอยู่ในห้องพระนะถ้าคิดแค่นั้นเนี่ยไปไม่รอดไปไม่รอด พอเข้าห้องพระแม่อัลหันพอเข้าห้องพระเป็นเปรตไม่ใช่นะจริงนะหลายคนพอเข้าห้องพระโหใจบุญดูเหมือนไม่เทพธิดาใจดีพอเข้าห้องพระยักษ์ยักษ์ยักษ์กินคน ก็สมควรเวลาในการรับฟังธรรมก็ขอยุติในธรรมะในเรื่องมอรณสติอันยังลงสู่อมะตะแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน